ท่านผู้ชมที่ทรค่ารายการสัมมนาสนท น, นานะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ f m ฟเอนี้เรามี2ช่วงช่วงแรกผ่านไปแล้วนะคะโดยพระม้าชาคาวโรวัณ น, นาปภพงลามุ ก, กาคลอง10ค่ะท่านนําการปฏิบัติธรรมตามพุท้ทวัจนะแล้วก็ยังอ่านพระสูตรให้กับพวกเราได้ฟังกันด้วยตอนนี้ก็มาถึงช่วงของการตอบคําถามด้วยการนําเอาพุทธวัจนะมาตอบในคําถามทั้งหลายที่เราได้กราบเรียนถาม พระภับุญอภิปุโนที่ได้เมตตา ม, มาจากวัดปารอนายโศกจังหวัดอุดรธานีเป็นประจำในทุกวันนะคะนักมรดการกับท่านคะอาจารย์เรนพรค่ะท่านคะตอนเนี้ยหรือท่นก็ถามบ่อยนะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินที่ว่าช่วงรอยต่อของปีใหม่คนก็จะสนใจว่า ดีหมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะพูดคําทํานายต่างๆดูเหมือนกับว่าจริงๆมนุษย์เป็นคนรอบครอบเหมือนกันนะคะ <c oughs> คืออยากจะเตรียมเพืที่จะรับมือกับอนาคตแต่บางคําทํานายเนี่ยมันทําให้เราไม่สบายใจทีนี้ถามว่าเอ๊เราก็รู้สึกว่าเราก็ศึกษาคําสอนของพระศาสดาใช่ไหมคะใช่ก็มีควรู้สึกว่าเอ๊เราไม่สนใจมันเลยได้ไหมใช้ชีวิตไปตามปกติได้ไหมหรือว่าเราจะกลายเป็นคนประมาทไปเพราะพระพุทธองค์ก็บอกอย่าประมาทอืความ อย่าประมาทของพระพุทธองค์เนี่ยมีความหมายเดียวกันกับที่คือในลักษณะทํานรองี้ไหมนะคะที่ว่าต้องเตรียมตัวรับมือกับคำทำนายนะค ะ, อะโอเคในเรื่องนี้ต้องมีอย่างน้อยสามประเด็นคุณยมติวอันแรกก่อน ค, คือความไม่ประมาทนี่คืออะไรถ้าคุณคอ่านข่าวแล้วดูคําทํานายแล้วไม่รู้คนทํานายเป็นใครล่ะอันนี้คือจะเป็นประเด็นเอาประเด็นแรกก็เอาคือคนทํานายก่อนคนทำนายนี่ไม่รู้เป็นใคร นะก็ต้อง<ม>อพูอ ด, ดูกันน่นค่ ะ, ะถ้า <c oughs> เป็นหมอดูก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่อันนี้เราต้องประเด็นที่หนึ่งที่เราต้องเปิดใจให้กว้างเอาไว้นะ <c oughs> แต่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทํานายแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีสองนะเพราะนั้นเราก็ดูว่าทํําทานายของใครพระพุทธเจ้าทํานายไว้นะบอกว่าเธอนั้นจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นแะต่พระพุทธเจ้าทํานายไว้แล้วคุณโยมติวถ้าหมอดูสอดคล้องกับหมอดูหมอดูโอ้ปีนี้คุณจะแย่นะโอ้โหสอดตรงกับพระพุทธเจ้าเป๊ะเลย ให้สบายใจได้เลยว่าอย่างน้อยเขาพูดตรงกับบรจิจ้านะอย่างไรก็ตามนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะมันก็ <Yeah. S 1> ไม่แน่หรอกตามเฟรมมันเท่าไรหร่ล่ะคุณพูดถึงเวลาปีหนึ่งสองปีหรือยี่ปีใช่ไหมเอานี่ประเด็นที่สองคือว่าเรื่องของความไม่สบายใจนะความไม่สบายใจเนี่ยหมายถึงอะไรกับความไม่ประมาทนี่ไม่เหมือนกันนะเวลาคุณฟังสิ่งที่มันรู้สึกมันมันไม่แน่ไม่นอนแล้วโอ้ยเรารู้สึกกังวลใจดีแล้วที่คุณกังวลแสดงว่าคุณไม่ประมาท แต่คุณจะไม่ประมาทได้จริงๆเนี่ยนะคุณต้องสร้างกุศลแล้วคลายความกังวล น, นั้นซ ะ, ะความกังวลเนี่ยจะเป็นเหตุให้คุณปรารกความเปลี่ยนไหมถ้าเป็นเหตุให้คุณปรารกความเพีย่ยนคุณเพียรแล้วก็ละความกังวล น, นั้นซะนะอันนี้ถึงจะดีแต่ถ้าความกังวลทําให้คุณยิ่งไปหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นเครื่องรางของหลั ง, งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่พุทธธรรมสงอันนี้ไปคนละเรื่องละ ถ้าเรา <c oughs> เรามีความไม่ประมาทจริงๆนะความกังวลทําให้คุณเป็นคนมไม่ประมาทแล้วคุณปรารบความเปลี่ยนซะอันนี้ถึงจะถูกค่ <c oughs> นะเพราะนั้นเนี่ยสมมตินะคะจากโจทย์ที่มีอยู่อ <c oughs> คือการพยากรณ์จะมีสองลักษณะพยากรณ์ลักษณะแรกเป็นการพยากรณ์ทางวิทยาศาสตร์คือมีการคํานวณโดยเอาข้อมูลต่างๆแล้วก็สถิติต่างๆมาแปลผลเป็น การพยากรณ์ว่าสมมตินะคะปีหน้าน้ําท่วมแน่ไม่เกินเดือนมีซาน้ําจะต้องมากสมมุตินะคะแล้วก็ อ, อย่างเช่นคําพยากรณ์อลักษณะหนึ่งก็คือทํานรอเ น, นี่ยว่าน้ำจะท่วมจนแผ่นดินไม่มีเหลือเหลือแต่ยอมนน้นจังหวัดนี้สองสามจังหวัดเท่านั้นจังหวัดที่มีภูเขาสูงก็ยังไม่รอดพ้นอันนี้ก็เป็นคําพยากรณ์อีกลักษณะหนึ่ง<ช>ดังนั้นถามว่าถ้าจะบอกว่าหมอดูแม่นไหยพูดสอดคล้องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งผู้เจ้าตรัสแล้วถูกแน่ดิฉันชอบมากนะคะที่ท่านยกออกมาวันนี้เธอนั้นจะต้องพลัดพรากจากของรักของช อ, ชอบใจทั้งสิ้นบางคนหอกว่าหมอดูบางคนเนี่ยโหไม่อยากรู้จักเลยพูดอะไรมันแย่แย่ทุกปีเลยเออได้ยินชื่อแล้วเกลียดนักคนนี้ไม่ต้องเกลียดนะคะพระพุทธองค์ทํานายนี่ <laughs> ก็ทํานายให้เรารู้ว่ามันมีแต่เสียหายมันมีแต่หายไปมันมีแต่ใช่ไหมคะพลัดพราก จากของรักของชอบใจทั้งสิ้สนแต่ทีนี้มาในในอีกด้านหนึ่งนท่านคะอันนี้พูดถึงปัจจุบันละ uh huh. จะเหลือแต่หลักธรรมของพระพุทธองค์เหลือแต่พระสงฆ์ของพระพุทธองค์อย่างท่านพไบรณ์ที่ศึกษาพุทธวจนะด้วยนะนะคะจะมาบอกเราว่าควรทําอย่างไรดีว่าอ่าในเมื่อเขาทํำนายอย่างนี้อืดิฉันควรจะทําอย่างไรดีคะที่อย่าประมาทอย่าประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทดิฉันต้องไปเตรียมต้องะทำความเพีย รู้ว่ากระสอบทรายจะสางได้ที่ไหน่เมื่อถึงตอนนั้นต้องเตรียมไหมคะตรงนี้ต้องเตรียมต้องเตรียมด้วยว่าสถานที่ที่ไหนเราจะอพยพไปได้เกิดอะไรต้องเตรียมมีเช็คลิสไหมนะพวกนี้คุณต้องเตรียมหมดเลยอันนี้คือการปรารบความเปลี่ยนละเพราะอะไร<อ>เพราะอาศัยเหตุปัจจัยที่เรากลัวนะพอะเรากลัวแล้วเราคุณอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมคุณจะรู้ว่าอ้อเราจึงต้องปรารบความเปลี่ยนนะอย่างงี้ชื่อว่าไม่ประมาท แล้วคนจะปลารบความเพียรได้นะคุณต้องเอาความกังวลออกไปด้วยนะเพอเราไม่กังวลแล้วเนี่ยเราจะสามารถตัดสินใจการงานได้อย่างดีมากกว่าน่าสนใจมากนะคะท่านฟังครับประเด็นนี้คือท่านพบูรณ์พูดตามโลกเขาเลยโลกเขาบอกว่าให้เตรียมตัวรับมือกับอย่างนี้ท่านก็บอกว่าก็ถือว่าเราได้ปลารกความเพียรคือก็เตรียมซะรู้ซะว่าถ้าหากมันเกิดขึ้นมาจริงๆเราจะต้องทาอย่างไร แต่ในขณะที่เตรียมแล้วต้องคลายกังวลด้วยใช่ถูกไหมคะเพราะความกังวลตรงนี้คือนิวร อ, อ่านิวรนคือเรื่องการกั้นทำปัญญาให้ถอยกำลังเรามองไม่เห็นปัญญาเราก็หนีไม่เมียได้แล้วเป็นอย่างเป็นผู้ประมาทอยู่ค่ะทีนีอ้อีกประเด็นหนึ่งถ้าถ้าเอาสองประเด็นนี้ก่อนดีกว่ามันจะได้ชัดๆไปนะคะท่านพูดเหมือนกับว่าถ้ามีความคลายกังวลแล้ว แล้วก็พูดถึงการป้องกันลักษณะทางโลกโลกเนี่ยแต่ถ้าบอกว่านั่นเป็นการปรารบความเพียรดูเหมือนสภาวะธรรมมันเกิดด้วยมันเกิดหรือเปล่าคะออความตรงนี้อธิมาตีความมันจะกรรมว่าความเพียรนี่คือการเพียรละอกุศลออกจากจิตนะสิ่งที่ยังไม่เกิดอยาให้มันเกิดอกุศล น, นะสิ่งที่มีอยู่แล้วละไปให้ได้กุศลละทำยังไงที่ยังไม่มีเอามาเอาเข้ามาที่มีอยู่แล้วทําให้มันจเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก็บกระสอบสารแล้วคุณจะสบายใจขึ้นคุณไม่กังวลคุณเก็บจะ แต่ถ้าคุณเตรียมอาหารแล้วคุณจะสบายใจขึ้นคุณไม่กังวลคุณเตรียมซะอเพราะจิตมันจะเป็นกุศลใช่จิตคุณเป็นกุศลอกุศลหายไปคือความกังวลหายไปใช่ไหมกุศลทําเกิดขึ้นคือความสบายใจใช่ไหมนั่นแหละอะคุณทําตรงนั้นก็แล้วกันนั้นก็ดูเหมือนกับว่าก็ปรากฏธรรมขึ้นมาอย่างอีกทางหนึ่งเหมือนกันถูกต้องถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีควบคู่มาด้วยนะคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยนะคือคุณอย่าไปโกงก็มาอย่าไปขโมยก็มา ใช่ไหมสมาธิในที่นี้คือคุณปฏิบัติตามศีลคุณมีความเห็นว่าเออไม่ขโมยดีนะฉันหากินอย่างดีถูกอันนั้นคุณทำได้คำว่าสร้างกุศลเนี่ยนะคะท่านถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในที่ที่คนที่เขามีความเชื่อในเรื่องของคำทำนายว่าจะเกิดพิบัติภยัยเพราะาอย่างดิฉันเนี่ยสภาพแวดล้อมก็มีกุหลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพมากเยนะคะ ท่านก็ได้พูดว่าเนี่ยจะต้องมีการทำบุญใหญ่เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็พยากรไปว่ามันมีเหตุ น, นากรวยต่างๆนานาและหนทางที่จะช่วยตัวท่านเองได้ช่วยชาติช่วยเพื่อน ร, ร่วมชาติได้ก็คือต้องมาเนี่ยคะ่ะหันเข้อหาทำปฏิบัติธรรมอันนี้ใช่สร้างกุศลที่ท่านว่ารับก็ถูกนะเป็นการกระทำที่ถูก ทีนี้ว่าบางคนก็พูดถึงการพยากรณ์อะไองต่างๆนี่ยนะถ้ามาร่วมกันทําบุญคือทําบุญยังไงก็ดีอยู่แล้วล่ะสร้างบุญสร้างกุศลอย่างไงก็ดีคือแม้จะไม่มีคำำําทํานายพยากรอะไรคุณสร้างบุญสร้างกุศลก็ยิ่งดีค่ะอนนี้ก็คือว่าอันนี้พูดถึงว่าในกรณีหากไม่สบายใจกันอย่างนี้ในสิ่งที่ได้กรับเรียนถามไปก็ใช่แต่อย่างไรก็ตามถ้าพูดตามธรรมก็คือว่า กุศลไม่ต้องคอยให้ใครมาพยากรว่าอะไรจะเกิดเรื่องไงคะใช่ๆช่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีไปแล้วถ้าสมมติว่าสมมติเราเตรียมกระสอบทราย56บถุงบางคนบอกตัวเลขไม่สวยต้องเอา57ดถุงโอ้ยเรื่องนี้มันเรื่องเล็กน้อยอย่าไปสนใจยิ่งจะทำให้เรากังวลมากขึ้นค่ะคือขณะนี้เนี่ยนะคะมันก็มีคำถามว่าถ้าเกิดมีคนต่างชาติที่เขาไม่รู้จักพระพุทธศาสนานเลยาาและเขาเกิดอยากรู้ ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะตอบเข้าสั้นๆให้เขาเข้าใจเลยอะจะตอบอย่างไรดีคะแล้วมามองว่าอย่างนี้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาคําสอนพุทธชาติเป็นวิธีการแก้ปัญหาถ้าถ้าถามพระธรร ม, าามาจะตอบว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาคือจริงๆไม่ใช่ศาสนาหรืออะไรเลยในคำในพระไตรปิฎกนะคุณโยมติว๋วไม่มีคําว่าศาสนาเลยแม้แต่คําเดียวมีแต่คำว่าธรรมกับวินยัย นะไม่มีคําว่า religion าไม่มีคําว่าศาสนาเลยมีแต่คําว่าธรรมวินยัยเอไศาสนานี่เรามาแปลกันเองนะศาสน า, ามีแต่คําว่าคําสอนมีแต่คําว่าพระมารการมีแต่คําว่าธรรมวินยัยค่ะอคื อ, อดิฉนเข้าใจว่าเป็นการหาคําเพื่อมารองรับในการที่จะเรียกคําสอนในลักษณะต่างๆของศาสานาไหมคะ งาต่าๆ ก, ก็เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งแยกไงว่า<ม>เธอศาสนานั้นชั้นศาสนานี้เธอพวกนั้นชั้นพวกนี้เธอลัทธินั้นชั้นลัทธินี้ลัทธินี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช้นะ อ, อ, อ๋อค่ะใครมีปัญหาเรามาแก้กันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปิดกว้างในการที่จะยอมรับพวกอื่นๆทั้งหมดพวกพราหมณ์รือบดีใครคุณมีปัญหาไหมมีมาทุกคนมีปัญหาหมดแน่นอนท่านพิบืลกําลังพูดว่าคําสอน ที่เป็นธรรมวินัยของพระศ า, าสดานั้นสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าคุณยังมีผัสสะอยู่ ค, คุณยังมีผัสสะอยู่คุณมีปัญหาแน่นอนค่ะก็เท่ากับว่าในที่นี้ท่านว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมและวินยัยเป็นรรวินนธีการแก้ปัญหาท่านไม่เน้นคำว่าพุทธศาสนาธมาก็<ด>ไม่เคยะะใช้คานี้เลย แต่ตั้ง<อ>แต่เราสังเกตมาเนาะบันทึกรายการมาเนี่ยอาตมาจะมีแต่คํ า, ค า, าว่าคําสอนพรุทเจ้าอาตมาจะไม่เคยใช้คําว่าศาสนาเลย อ, อค่ะก็แค่นั้นเองก็คือว่าถ้าคุณยังมีสุขทุกข์อยู่บ้างมีความกังวลยังมีความเครียดยังมีความไม่เข้าใจการมีความโกรธคุณมีความทุกข์ค่ะทินที่เกิดเขาถามกลับมาละคะยิงบอกว่าพุทธศาสนาคือวิธีแก้ปัญหาถ้าตอบสั้นๆทำไม อ, mai, อ่ะ คำสอนพุทธเจ้าคือวิธีการแก้ปัญหาค่ะของท่าค่ะคือดิฉันเวลาสมมุติเราจะไปตอบเขาถามเรามาพุทธศาสนาคืออะไรท่านเทวุลไม่ตอบอย่างนั้นแต่ดิฉันอาจจะต้องไปตอบเขาว่าเออพุทธศาสนาที่ยูถามหรอก็คือวิธีแก้ปัญหาไงโอเคท่าถามกลับเลยค่ะท่านคะแก้ปัญหาอะไรหรอความเกิดความตายความแก่ความตายแก้ปัญหาความแก่ความตายใช่สมมุติเขาถามอีกว่าแก้ความแก่พอรู้ นะไม่ต้องให้ศาสนาแก้ก็ได้เดี๋ยวนี้มีคลินิกทุกคลินิกสารสรพั ด, ดสารแก้พอได้แต่ที้ตายเนี่จะไม่เข้าใจก็แก้ไปเห็นตายแล้วซอมได้สักคนหนึ่ง <laughs> คือในความตายเนี่ยมันมีหลายระดับถ้าพูดถึงตาความตายระดับจิตลึกๆ ล, ล, ลงไปนั่นเลยก็คือว่าจิตเนี่ยจะไม่มีการเสื่อมไปจากความรู้ที่เรารู้อารมณ์นี้นะ เรารู้จากอารมณ์นี้เปลี่ยนไปอีกอารมณ์หนึ่งนั่นก็แสดงว่าจิตตายละตายจากอารมณ์นี้ไปอีกอารมณ์หนึ่งตรงนั้นเองที่ตัวนี้แหละจะทําให้เรามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตแล้วถ้าพูดถึงความตายระดับสุดยอดก็คือว่ากายนี้เนี่ยจะไม่ได้กายใหม่ก็ทําให้คุณเป็นพระอรหันต์ไม่มีกายที่จะต้องมาตายแล้วตายเล่าอีกคืออันี้อาจะเป็นคําตอบที่แบบโอ้ยสูงสุดนู่นเลยไม่รู้คุณจะเข้าใจหรือเปล่า แต่เอาแค่ว่าถ้าเราจะตอบแบบที่เขาจะเข้าใจได้นะปัญหาอะไรที่คุณพูดถึงอะความแก่ความตายเม่นเข้าใจเลยต่อใหม่ก็ได้นนั้นก็แค่ว่าคลายความสุขความทุกข์แก้ปัญหาคือความทุกข์พูดกว้างๆอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ต้องถามเขาว่าความทุกข์อะไรอ๋ อ, อคุณเคยโกรธไหมคุณเคยไม่สบายใจไหมก็แก่พวกนั้นแหละออืมแก้ปัญหาความทุกข์ในน้กายดิมกันนะคะน่าจะเข้าใจง่ายเว้นแต่ว่า ท่ารู้สึกมัน ท, ท้าทายมากอยากบอกจังเลยเพราะว่าพระเจ้าของเราเกง่งแก้ความตายได้นี้ท่านไปคิดล่วงหน้าแล้วกันว่าท่านจะตอบอยังไงจะต้อง <c oughs> คือบางทีเนี่ยบางทีมันรู้เป็นภาษาไทยนะครับท่านเวลาไปเจอคนซักไซแล้วเรารู้คําตอบอยู่ไม้มันอึดอัดมากแนะนําให้มาฟังรายการสรรเสรสุท น, นาก็ได้ <c oughs> แม้กระทั่งคนไทยนะครับท่านแต่ฉันเข้าใจว่าบางทีก็สงสัยเหมือนกันนะว่าออ ไม่เคยถามตัวเองเลยนะเนี่ยนับถือศาสนาพุทธหรือว่ารู้ว่ามีศาสนาพุทธอยู่ในประเทศไทยแต่พุทธศาสนาคืออะไรหรือว่าคําสอนทางพุทธนี่คืออะไรวันนี้ถ้าจะตอบง่ายๆก็เป็นแบบนี้ใช่ตมาเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราไม่รู้จนกระทั่งเรามาบวชบวชแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหมันลึกซึ้งมากจริงๆนะจนกระทั่งเราเราต้องค้นคว้าให้ไปจนสุ ด, ดท่านพิบูลค่ะทีฉันเคยได้ยินพระสงฆ์ ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งแต่ท่านมรณภาพาไปแล้วนะคะออท่านตอบคำถามคล้ายๆกันเนี้ยแต่ท่านตอบว่าคือความถูกต้องอืมอืมอซึ่งเหมือนกันไหมคะความถูกต้องกับวิธีการแก้ปัญหาะคะ่ะดังนั้นท่านจะพูดส่วนของมรรคในกรณีของจอะมาพูดส่วนของทุกอ่าท่านจะพูดส่วนของอ่ทางดับไม่เหลือของทุกจะมาพูดถึงจุดที่ทุกตรงในอริสสัสี่นะ ก็ได้เหมือนกัน ท, ทุกอย่างได้เหมือนกับว่าพูดในเรื่องเดียวกันแต่พูดกันคนละ ม, มุมใช่ไหมคะมแต่ในการที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้จริ ง, รงๆเนี่ยเราต้องทําอย่างไรกันนะเห็นทุกง่ายคุณยมติว๋วเห็นทุกให้เห็นทุกให้ได้ให้เห็นปัญหาให้ได้ปัญหาของคุณในชีวิตนี้คืออะไรเห็นตรงนั้นให้ได้ง่าย ม, มากอืมค่ะถ้าคนที่ ยากจนเข็นใจดังั้เข้าใจว่าทุกมันเห็นนะคะพวกนี้ก็เข้าถึงพระพุทธศาสนาง่ายกว่าคนที่มีแต่ความสุขสิคะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าจะถามไปเนี่ยเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนวันนี้ก็วันที่สามสิบธันวาคมแล้วนะคะก็มีพุทธวจนะฝากให้เรื่องของความ<ช>สุขต้อนรับปีใหม่ว่าพระพุทธเช้าตรัสนี้บอกว่าสุขใดนะความสุขใดเป็นสุขที่เกิดจากความสงบเงียบ เป็นสุขที่เกิดแต่ความเข้าไปสงบระงับเป็นสุขที่เกิดแต่ความรู้พร้อมเราเรียกความสุขนั้นเป็นความสุขที่บุคคลควรเสพให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวในปีใหม่นี้เรามาเสพความสุขอย่างนี้กันค่ะเรามาเสพความสุขอย่างนี้กันนะคะแล้วก็แหมดิฉันเนี่ยก็ไม่อยากพูดพาดพิงใครเพียงแต่ว่า อยากจะบอกนะคะว่าไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรไม่จำเป็นต้องไปเสพยาเสพติดเราสามารถที่จะมีความสุขด้วยการเสพอะไรนะคะท่านขออีกครั้งนึงค่ะสุขความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบสุขที่เกิดจากความเข้าไปสงบระงับสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมอันนี้ควรเสพให้มากคุณทำให้เจริญไม่ควรกลัว ค่ะและทุกคนทําได้เดี๋ยวฉันเห็นร็อกเกอร์สาวบางคนก็จะมาทําแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็นมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุล โ, โนนะคะที่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาท่านก็เมตตาพวกเราตลอดเราจะมากราบท่านอีกทีหนึ่งปีใหม่นะคะเจริญพรอันนี้ก็นมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคะ่งะเจริญพรทุกครั้งที่ครคกาจะสังเกตเดี๋ฉันไม่ได้ขอพอรท่านไพบุญเพิ่มเพราะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านไพบุญพูดทุกวันทุกวันเน่ยมันเป็นพรยิ่งกว่าพรนะคะเพราะว่า เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นตรัสเอาไว้ถ้าท่านหยิบช่วยเอาไปใช้ก็แปลว่าท่านได้พรนนะคะคือต้องนำเอาไปปฏิบัติค่ะพรของท่านจะเป็นพรอที่เกิดได้จริงแล้วก็เป็นพรอที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นพรจากสัจจะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาวันนี้เราคงจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่จะบอกท่านทั้งหลายที่ต้องการจะไปฟังธรรม ด, ดีก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราไปาที่วัดนาปาพง์ก็ได้นะคะในวันพรุ่งนี้จะมีกันทั้งวันแล้วมั้งคะแล้วตอนถ้ำก็จะมีสมทนาธรรมข้วาวมันเสาเข้าใจว่าน่าจะเลยไปถึงตอนเข้าวดาวด้วยส่วนใครที่ไปตะถาอุดร น, นะครมุ่งหน้าไปเลยค่ะที่วัดป่าดอนายโซจังหวัดอุดรธานีไปเวลาไหนก็ดีทั้งนั้นถ้าท่านไปทําดีนะคะเราขอให้ท่านทั้งหลายได้พบว่าเรามี พุทธวาชนะของพระพุทธองค์คุ้มครองเราตลอดไปในทุกวันทุกเวลาค่ะขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขในปีใหม่กันมากๆนะคะพุทธสวัสดีค่ะ